สองจุดหนึ่งพุทธคือพุทธชาวพุทธต้องเข้มแข็งและพึ่งตนเองวงเล็บเปิดสิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้า้อยสี่สิบเก้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบสองวงเล็บปิดหลายคนพยายามลากเอาศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าศาสนาพุทธจะแพ้แล้ววิทยาศาสตร์จะชนะแล้วสมัยก่อนรู้สึกอย่างนี้ แต่โดยนี้วิทยาศาสตร์มันต้องสยบกับศาสนาพุทธนะเพราะมันมีวิทยาศาสตร์แต่มันหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นศาสนาพุทธแท้ๆถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปซุกอยู่ใต้ปีกใครเลยพุทธก็คือพุทธแหละไม่ต้องมาถามเลยศาสนาพุทธเป็นปรัชญาไหมดูสิเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็พยายามซุกเข้าปีกปรัชญาอีกแล้วไม่จําเป็นท่านอาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ในวงเล็บปจุดอจุดประยุทธ์โตพูดดีนะ ท่านว่าไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์ว่าพุทธเป็นปรัชญาไหมพุทธก็คือพุทธนั่นแหละเราก็ตอบปัญหาของเราได้เราแก้ปัญหาของเราได้ส่วนว่าพุทธจะเป็นปรัชญาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของนักปรัชญาจะต้องไปพูดกันเองนี่ชาวพุทธไม่ไปเถียงด้วยนะเหมือนกันนะพุทธจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็เรื่องของนักวิทยาศาสตร์เราไม่เห็นต้องไปซุกปีกใคร หรือทุกวันนี้เราไม่ได้ศึกษาศาสนาให้ดีเรารู้สึกศาสนาเราง่อนแง่นแล้วศาสนาห่างไกลาจากผู้คนแล้วคนทิ้งศาสนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต้องไปทำงานสังคมสงเคราะห์เยอะแยะเลยเพื่ออะไรหรือจะขอพื้นที่เล็กๆขอฉันยืนอยู่ด้วยคนอยู่ในสังคมนี้จริงๆถ้าเข้าใจศาสนาพุทธก็ไม่จาเป็นต้องไปทาอย่างนั้นเลยเพราะศาสนาพุทธมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแล้ว คนที่ศึกษาเข้าใจก็จะมีความสุขมีความสงบในจิตใจสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างรู้ทันโลกไม่ใช่ภาวนาแล้วต้องหนีโลกนะอยู่กับใครไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่ใช่นั่นมันลือีาศาสนาพุทธภาวนาไปสิอยู่ตรงไหนก็ได้ฉันอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้ขอให้มีสติเอาไว้เถอะอยู่ตรงไหนความทุกข์ก็เข้ามาสู่ใจของเราไม่ได้เราเรียนจนเราค้นพบตัวเองนะ พวกนักปรัชญานักจิตวิทยาอะไรก็พูดนะเรื่องการค้นพบตัวเองแม้ถ้าค้นพบตัวเองได้แล้วก็วิเศษที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่ของฝรั่งมันค้นพบตัวเองมันพบตัวเองจริงๆของศาสนาพุทธสอนจนเราพบตัวเองว่าไม่มีตัวเองมันไปอีกชั้นหนึ่งนะตราบใดยังมีตัวเองอยู่นะก็ยังทุกข์บ้างสุขบ้างไปเรื่อยๆถ้าใจมันแจ้งใจมันเข้าใจความจริงนะใจวางไม่ทุกข์แล้วนะ ถ้าเรายังมีตัวเราอยู่ตัวเราดีก็มีความสุขตัวเราไม่ดีก็มีความทุกข์ฉะนั้นศาสนาพุทธถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ง้อใครนะศาสนาพุทธจะบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดเอหิป e ัสสิโกเพิ่งกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ใช่บอกว่าได้โปรดเถนะได้โปรดเชื่อเถอะไม่มีนะแต่เป็นศาสนาที่กล้าท้าให้พิสูจน์ดูเพียงแต่ว่าคนที่จะรับคาท้ามีไม่มาก ก็ไม่เป็นไรศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่พุทธกาลศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนส่วนน้อยจริงๆแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยไม่ใช่เยอะแยะอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการพึ่งตนเองไม่ใช่ศาสนาที่พึ่งสิ่งอื่นพึ่งคนอื่นแต่เป็นศาสนาพึ่งตนเอง คนในโลกนี้พอใจที่จะพึ่งคนอื่นไม่พอใจที่จะพึ่งตนเองเพราะฉะนั้นจิตใจจะอ่อนแอฉะนั้นจะเป็นชาวพุทธได้ต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าเราจะพึ่งตนเองไม่พึ่งกระทั่งครูบาอาจารย์เราหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่มานั่งเกาะครูบาอาจารย์ทั้งวันหลวงพ่อไม่ยอมรู้สึกไหมถึงเวลาประโยคเด็ดคือไปกลับบ้านไปอา้าวเชิญโยมกลับบ้าน